เจดจันทกุมารว่าด้วยพระจันทกุมารทรงบำเพ็ญขันติบารมีพระราชาพระนามว่าเอกราชเป็นผู้มีกรรมอันญยาบช้าอยู่ในพระนครปุกพวดีเท้าเธอตรัสถามกันดะหาละปุโรหิตผู้มีเผ่าพันธุ์พรหมเป็นคนหลงว่าท่านพรามท่านเป็นผู้ฉลาดในธรรมวินยัยขอจงบอกทางสวรรค์แก่เรา เหมือนอย่างนรชนทำบุญแล้วไปจากพบนี้สู่สุขติภพฉนั้นเถิดถ้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐนรชนให้แล้วซึ่งฐานอันล่วงล้ำฐานฆ่าแล้วซึ่งบุคคลอันไม่พึงฆ่าชื่อว่าทำบุญแล้วย่อมไปสู่สุขติด้วยประการชนีก็ทานอันล่วงล้ำฐานนั้นคืออะไรและคนจำพวกไหนเป็นผู้อันบุคคลไม่พึงฆ่าในโลกนี้ ขอท่านจงบอกข้อนั้นแก่เราเราจะบูชายัญจกให้ทานข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐยันพึงบูชาด้วยพระราชโอรสพระราชธิดาพระมเหสีชาวนิคมโคอุสภ ร, ราชมาอาชาในอย่างละสี่ข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐยันพึงบูชาด้วยหมวดสี่แห่งสัตว์ทั้งปวง ในพระราชวังมีเสียงระเบงเซ็งแซ่เป็นอันเดียวกันน่าหวาดกลัวเพราะได้ฟังคำว่าพระกุมารพระกุมารีและพระมเหสีจะต้องถูกฆ่าเจ้าทั้งหลายจงไปทูลพระกุมารทั้งหลายคือพระจันทกุมารพระสุริยกุมารพระพัฒเสนกุมารพระสุรกุมารและพระรามโคตตะกุมารว่า ขอท่านทั้งหลายจงอยู่เป็นหมู่กันเพื่อประโยชน์แก่การบูชายันเจ้าทั้งหลายจงไปทูลพระกุมารีทั้งหลายคือพระอุปปัเสนากุมารีพระโกลิกากุมารีพระมุทิตากุมารีและพระนันทากุมารีว่าขอท่านทั้งหลายจงอยู่เป็นหมู่กันเพื่อประโยชน์แก่การบูชายันอันหนึ่ง เจ้าทั้งหลายจงไปทูลพระเหสีของเราคือพระนางวิชยาพระนางเอราวดีพระนางเกษินีและพระนางสุนันทาผู้สมบูรณ์ด้วยลักษณะอันประเสริฐว่าขอท่านทั้งหลายจงอยู่เป็นหมู่กันเพื่อประโยชน์แก่การบูชายันเจ้าทั้งหลายจงไปบอกคฤหบดีทั้งหลายคือปุณณมุขคฤหบดีพัชธยคฤหบดี สิงคาละคฤหบดีและวัฏทะคฤหบดีว่าขอท่านทั้งหลายจงอยู่เป็นหมู่กันเพื่อประโยชน์แก่การบูชาญาณคารุหบดีเหล่านั้นผู้เกลื่อนกลนไปด้วยบุตรพรรยามาพร้อมกันณที่นั้นได้กราบทูลพระราชาว่าขอเดชะขอพระองค์ทรงกระทำข้าพระองค์ทุกคนให้เป็นคนมีแยม หรือขอจงทรงประกาศข้าพระองค์ทั้งหลายให้เป็นข้าทาสเถิดพระเจ้าข้าเจ้าทั้งหลายจงรีบนำช้างของเรามาคือช้างอภยังกรช้างนาลาคิรีช้างอัจจุขตะช้างวรุณทันตะช้างเหล่านั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่การบูชายันเจ้าทั้งหลายจงรีบไปนำมาซึ่งม้าอสเดรของเรา คือมาเกสีมาสุรามุขะมาปุณกกะมาวินตะกะมาเหล่านั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์แกการบูชายันเจ้าทั้งหลายจงรีบไปนำมาซึ่งโคอุสภ ร, ราชของเราคือโคยุทธปติโคอโนชะโคนิสภโคขวัมปติจงต้นโคเหล่านั้นทั้งหมดเข้าเป็นหมูกัน เราจักบูชายันจักให้ทานอันหนึ่งจงตระเตรียมทุกสิ่งให้พร้อมวันพรุ่งนี้เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นเราจักบูชายันเจ้าทั้งหลายจงนาเอาพระจันทกุมารมาจงรื่นรมตลอดราตรีนี้เจ้าทั้งหลายจงตั้งไว้แม้ทุกสิ่งวันพรุ่งนี้เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นเราจักบูชายันเจ้าทั้งหลายจงไปทูลพระกุมาณรณบัดนี้ วันนี้เป็นคืนสุดท้ายพระราชมารดาเสด็จมาแต่พระตำหนักทรงพระกันแสงรังตรัสถามพระเจ้าเอกราชนั้นว่าพระลูกรักได้ยินว่าพ่อจักบูชายัญด้วยพระราชบุตรทั้งสี่หรือเมื่อต้องฆ่าจันท ก, กุมารบุตรแม่ทุกคนม่อมฉันก็สละม่อมฉันบูชายัญด้วยบุตรทั้งหลายแล้วจักไปสู่สุคติสวรรค์ ลูกเอ๋ยพ่ออย่าเชื่อคำนั้นข่าวที่ว่าสุขติจะมีเพราะเอาบุตรบูชายันทางนั้นเป็นทางไปนรกไม่ใช่ทางไปสวรรค์ลูกโกนทัญญะพ่อจงให้ทานอย่าได้เบียดเบียนสัตว์ทั้งปวงเลยนี่เป็นทางไปสู่สุขติทางไปสู่สุขติไม่ใช่เพราะเอาบุตรบูชายันคำของอาจารย์ทั้งหลายมีอยู่ หม่อมฉันจักฆ่าจันทกุมารและสุริยกุมารหม่อมฉันบูชายัญด้วยบุตรทั้งหลายอันสละได้ยากแล้วจักไปสู่สุขติสวรรค์แม้พระเจ้าวสวรดีพระราชบิดาได้ตรัสถามพระราชโอรสของพระองค์นั้นว่าลูกรักทราบว่าพ่อจักบูชายัญด้วยโอรสทั้งสี่หรือเมื่อต้องฆ่าจันทกุมารบุตรแม่ทุกคน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 ทางไปสู่สุขติไม่ใช่เพราะเอาบุตรบูชายันคําของอาจารย์ทั้งหลายมีอยู่มอมชันจักฆ่าจันทกุมารและสุริยะกุมารมอมชั้นบูชายันด้วยบุตรทั้งหลายอันสละได้ยากแล้วจักไปสู่สุขติสวรรค์ลูกโกลทันยะพ่อจงให้ทานอย่าได้เบียดเบียนสัตว์ทั้งปวงเลยพ่อจงเป็นผู้อันพระราชบุตรห้มล้อม รักษากาศิกรัตและชนบทเถิดขอเดชะพระองค์อย่าได้ทรงฆ่าข้าพระองค์ทั้งหลายเสียเลยโปรดพระราชทานข้าพระองค์ทั้งหลายให้เป็นทาสของกันดะหาละบุโรหิตเถิดพระเจ้าค่าถึงแม้ข้าพระองค์ทั้งหลายจะถูกจองจำด้วยโซ่ใหญ่ก็จะเลี้ยงช้างและม้าให้เขาขอเดชะพระองค์อย่าได้ทรงฆ่าข้าพระองค์ทั้งหลายเสียเลย โปรดปรพระราชทานข้าพระองค์ทั้งหลายให้เป็นทาสของกันฑาหาลบุโรหิตเถิดพระเจา้าข้าถึงแม้ข่าพระองค์ทั้งหลายจะถูกจองจำด้วยโซ่ใหญ่ก็จะขนมูลช้างให้เขาขอเดชะพระองค์อย่าได้ทรงฆ่าข้าพระองค์ทั้งหลายเสียเลยโปรดพระราชทานข้าพระองค์ทั้งหลายให้เป็นทาสของกันฑหาละบุโรหิตเถิดพระเจา้าา ถึงแม้ข้าพระองค์ทั้งหลายจะถูกจองจำด้วยโซ่ใหญ่ก็จะขนมูลมาให้เขาขอเดชะพระองค์อย่าได้ทรงฆ่าข้าพระองค์ทั้งหลายเสียเลยโปรดพระราชทานข่าพระองค์ทั้งหลายให้เป็นทาสของกันดาหาลบุโรหิตตามที่พระองค์มีพระประสงค์เถิดพระเจ้าค่าถึงแม้ข้าพระองค์ทั้งหลายจะถูกขับไล่จากเว่นแคว้นก็จะเที่ยวพิกขาจารย์เลี้ยงชีวิต เจ้าทั้งหลายพรำเพออยู่เพราะรักชีวิตย่อมก่อทุกข์ให้เกิดแกเรานักแลพวกท่านจงปล่อยพระกุมารทั้งหลายไปณบัดนี้เราขอเลิกการเอาบุตรบูชายันข้าพระองค์ได้ทูลไว้แล้วในการก่อนเทียวว่าการบูชายันนี้ทำได้ยากให้เกิดความยินดีได้แสนยาก บัดนี้พระองค์ทรงกระทายันที่ข้าพระองค์ตรเตรียมไว้แล้วให้กระจัดกระจายเพราะเหตุไรชนเหล่าใดบูชายันเองก็ดีและชนเหล่าใดให้ผู้อื่นบูชายันก็ดีอนหนึ่งชนเหล่าใดอนุโมทนามหายันเช่นนี้ของบุคคลผู้บูชายันอยู่ก็ดีชนเหล่านั้นทั้งหมดย่อมไปสู่สุขติขอเดชะเหตุไรในการก่อน พระองค์จึงรับสั่งให้พรามกล่าวคำเป็นสวัสดีแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายมาบัดนี้จะรับสั่งให้ข้าฆ่าพระองค์ทั้งหลายเพื่อต้องการบูชายันโดยหาเหตุมิได้เลยข้าแต่พระราชบิดาเมื่อก่อนในเวลาที่ข้าพระองค์ยังเป็นเด็กพระองค์มิได้ทรงฆ่าและมิได้ทรงรับสั่งให้ฆ่าบัดนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายถึงความเจริญไัยเป็นหนุ่มแน่นแล้ว มิได้คิดประทุษร้ายพระองค์เลยเพราะเหตุไรจึงรับสั่งให้ฆ่าเสียข่าแต่พระมหาราชาพอพระองค์จงทอดพระเนตรข่าพระองค์ทั้งหลายผู้ขึ้นคอช้างขี่หลังม้าผูกสอดเครื่องรบในเวลาที่รบมาแล้วหรือเมื่อกำลังรบก็บุตรทั้งหลายเช่นดังค่าพระองค์ทั้งหลายย่อมไม่ควรจะฆ่าเพื่อประโยชน์แก่การบูชายันเลย แต่พระราชบิดาเมื่อเมืองชายแดนหรือเมื่อพวกโจรในดงกำเริบเขาย่อมใช้คนเช่นดังข้าพระองค์ทั้งหลายแต่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะถูกฆ่าให้ตายโดยมิใช่เหตุในสถานที่ที่ไม่ควรขอเดชะแม่นกเหล่าใดๆเมื่อทํารังแล้วย่อมอยู่ลูกทั้งหลายเป็นที่รักของแม่นกเหล่านั้น ส่วนพระองค์ได้ตรัสสั่งให้ฆ่าฆ่าพระองค์ทั้งหลายเพราะเหตุไรขอเดชะอย่าได้ทรงเชื่อกันฑหาลปุโรหิตกันฑหาลปุโรหิตไม่ใช่พึงฆ่าฆ่าพระองค์เท่านั้นเพราะว่าเขาฆ่าฆ่าพระองค์แล้วก็จะพึงฆ่าแม้พระองค์ในลําดับต่อไปฆ่าแต่พระมหาราชาพระราชาทั้งหลายย่อมพระราชทานบ้านอันประเสริฐนิคมอันประเสริฐ แม้โภคะแก่พรามนั้นอันหนึ่งพวกพรามแม้ได้ข้าวน้ำอันเลิศในตระกูลบริโภคในตระกูลยังปรารถนาจะประทุษร้ายต่อผู้ให้ข้าวน้ำเช่นนั้นแม้เหล่านั้นอีกเพราะพรามเหล่านั้นโดยมากเป็นคนอักตันอยู่ขอเดชะพระองค์อย่าได้ทรงฆ่าฆ่าพระองค์ทั้งหลายเสียเลยโปรดพระราชทานข่าพระองค์ทั้งหลาย ให้เป็นทาสของกันดาหาลบุโรหิตเถิดพระเจ้าค่าถึงแม้ข้าพระองค์ทั้งหลายจะถูกจองจำด้วยโซ่ใหญ่ก็จะเลี้ยงช้างและม้าให้เขาขอเดชะพระองค์อย่าได้ทรงฆ่าข้าพระองค์ทั้งหลายเสียเลยโปรดพระราชทานข้าพระองค์ทั้งหลายให้เป็นทาสของกันดาหาลบุโรหิตเถิดพระเจ้าค่าถึงแม้ข้าพระองค์ทั้งหลายจะถูกจองจาด UM ้วยโซ่ใหญ่ <Sak ur stains hombre> <m Linda> ก็จะขนมูลช้างให้เขาพอเดชะพระองค์อย่าได้ทรงฆ่าฆ่าพระองค์ทั้งหลายเสียเลยโปรดพระราชทานข่าพระองค์ทั้งหลายให้เป็นทาสของกันดาหาลบุโรหิตเถิดพระเจ้าค่าถึงแม้ข่าพระองค์ทั้งหลายจะถูกจองจําด้วยโซ่ใหญ่ก็จะขนมูลม้าให้เขาพอเดชะพระองค์อย่าได้ทรงฆ่าฆ่าพระองค์ทั้งหลายเสียเลยโปรดพระราชทานข่าพระองค์ทั้งหลาย ให้เป็นธาตุของกันฑาหาลบุโรหิตตามที่พระองค์มีพระราชประสงค์เถิดพระเจ้าค่าถึงแม้ข้าพระองค์ทั้งหลายจะถูกขับไล่จากเว่นแคว้นก็จะเที่ยวพิก ข, ขาจารย์เลี้ยงชีวิตเจ้าทั้งหลายพรำเพออยู่เพราะรักชีวิตย่อมก่อทุกข์ให้เกิดแก่เรานักแลพวกท่านจงปล่อยพระกุมารทั้งหลายไปณบัดนี้เราขอเลิกการเอาบุตรบูชายัน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 ของบุคคลผู้บูชายันอยู่ก็ดีชนเหล่านั้นทั้งหมดย่อมไปสู่สุคติแค่แต่พระราชาถ้าชนทั้งหลายบูชายันด้วยบุตรทั้งหลายจุติจากโลกนี้แล้วย่อมไปสู่เทวโลกดังได้ยินมาไซพร้อมจงบูชายันก่อนพระองค์จักทรงบูชายันในภายหลังถ้าชนทั้งหลายบูชายันด้วยบุตรทั้งหลาย จุติจากโลกนี้แล้วย่อมไปสู่เทวโลกดังได้ยินมาไซกันฑหาลพรามผู้นี้แหลจงบูชายัญด้วยบุตรทั้งหลายของตนถ้าว่ากันฑหาลพรามรู้อยู่อย่างนี้เหตุไรจึงไม่ฆ่าบุตรทั้งหลายไม่ฆ่าคนที่เป็นญาติทุกคนและตนเองเล่าชนเหล่าใดบูชายัญเองก็ดีและชนเหล่าใดให้ผู้อื่นบูชายัญก็ดีอนหนึ่ง